วิธีให้มานัตและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพ์พึงให้มานัตหราตรีอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยมประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ กระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับสงสงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกำลังประพฤติมานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกวิสัถิ ในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นจึงขอการชักเข้าหาอาบัตรเดิมเพื่ออาบัตรหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงสงชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัตรเดิมเพื่ออาบัตรหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ท่านผู้เจริญ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 ละภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกำลังประพฤติมานัทต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกะวิสัตถิในระหวา่างไม่ได้ปิดไว้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 เพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละ